Whistling ความนอบน้อมแด่พระรัตนตรนะครับผมต้องเรียนว่าค่อนข้างจะลําบากใจมากนะครับที่มาอยู่บนเวทีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปบรรยายต่างประเทศเนี่ยนะครับรับเลยฮะเพราะว่าผู้ฟังไม่มีใครรู้นะครับไปมาแล้วนะครับไปอินโดนีเซียมาไปมาเลเซียออสเตรเลียคือทุกประเทศเลยที่หลงนะครับที่เชิญมานี่ก็รีบไปเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้ว หลักสูตรของกิเลสแมネจเมนต์เนี่ยจริงๆพยายามายเบี่ยงนะฮะกับท่านโพธิสัตว์ตวพาคีผมประทับใจกับตําแหน่งของที่นี่มากนะครับอันนี้ถ้าเกิดองค์กรไหนจะนําไปใช้เนี่ยมาขอลิขสิทธิ์จากท่านวอได้นะครับมีตําแหน่งพิเศษสําหรับสถาบันวิบูเทยาลัยโพธิสัตว์ตวพาคีแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยความระบากใจของผมเนี่ยก็เลยกลายเป็นความสบายใจเพราะว่าผมถือว่า เราเป็นพวกเดียวกันนะครับก็คือว่าผมได้รับเชิญให้มาบรรยายในหัวข้อของวิชาการจัดการกับความโกรธนะครับทีนี้เนี่ยเราเองก็ยังเป็นปุถุชนนะครับเหมือนกับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นพวกเดียวกันเราก็จะสื่อสารกันได้ง่ายถูกไหมครับ คือสำหรับวันนี้ที่ผมต้องต้องกราบเป็นว่าไม่ได้สําหรับพระฟังนะครับอันนี้สําหรับสำหรับปุถุชนคุยกับปุถุชนนะครับว่าในชีวิตประจำวันจริ ง, รงๆของเราเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกับเรื่องของความโกรธเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วผมก็ดีใจที่เห็นว่าในหัวข้อนี้นะครับก็เป็นที่สนใจของบรรดา น, นักศึกษาของหลักสูตรกีฬาแมเนจเมนต์นะครผมอยากจะบอกว่าผมจะไม่ได้บรรยาย เฉยๆครับเพราะว่าวิธีการที่ผมทํางานเนี่ยผมต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือสิ่งที่สําคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของหลักธรรมของพระพุทธองค์ก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเนี่ยเรานํามาปฏิบัติใช้แล้วมันเกิดความสั่นสะเทือนในใจตรงนี้แหละครับเมื่อเราเกิดความสั่นสะเทือนในใจแล้วเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ทีนี้ก่อนที่จะเริ่มคุยกันต่อเนี่ยผมอยากจะถามว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นมานะครับมีท่านใดบ้างที่ยังไม่โกรธเลยครับยกมือประมาณสัก 25% ได้ไหมส้นะครับวันนี้ทั้งวันยังไม่โกรธเลยนะครับเอางั้นถามอีกคำถามหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ยังไม่โกรธเลยครับยกมือครับในเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่แะครับ มีใครบ้างครับที่ไม่โกรธเลยมีไหมฮะไม่มีนะครับก็โอเคก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านมีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความโกรธเนี่ยเป็นกิเลสตัวที่หนักที่สุดตัวหนึ่งนะครับผลค่อนข้างร้ายแรงรุนแรงแต่ว่าละได้ง่ายนะครับแล้วก็สำหรับปูทุชนเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการนะครับที่เราเอามาใช้กันจริงๆ น, นะครับมันจะมีหลายกลลวิธีเลยนะครับที่เราใช้ในเรื่องของการจัดการกับความโกรธนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการรู้เฉยๆครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับเคยมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ผมนะครับแล้วก็มีคําถามที่น่าสนใจนะครับที่ถามบอกว่าคุณดเนยเนี่ยโกรธบ้างหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่เข้าทางนะฮะ ผมก็ชอบมองหาคําถามประมาณนี้อยู่แล้วผมก็ตอบไปว่าแน่นอนครับผมยังเป็นบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสคือเรายังไม่ได้โอนสัญชาติใช่ไหมครับในห้องนี้เดี๋ยวต้องต้องถามก่อนว่ามีท่านใดที่ได้โอนสัญชาติจากปุถุชนไปเป็นอริยะบุคคลแล้วฮนะเราจะได้เชิญออกนะครับเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เบสิกเกินไปใช่ไหมครับก็หวังว่าเราน่าจะเป็นนะฮะเราเป็นสัญชาติเดียวกันกันอยู่เนี่ยนะครับนะครับยามบอกว่าคุณนายครับ เจ้าของรถคันนี้ยผมรู้จักดีเลยเป็นฝรั่งเจ้าของบริษัทคุณในายไม่ต้องเช็คเลยผมรู้เพราะว่าคุณในายไม่ใช่คนแรกไม่ใช่รถคันแรกโดนมาหลายคันแล้วผมแนะนําครับแจ้งตํำรวจจับมาเลยดีกว่าเห็นไหมครับทุกคนจะมีวิธีการที่จะให้เราแก้ไขปัญหาเนี่ยซึ่งเป็นการจัดการกับความโกรธไหมไม่เลยนะครับผมบอกทุกคนเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีวิธีการของผมเองนะครับให้เลขารีบสั่ง กระเช้าดอกไม้มานะครับแล้วก็พอเช็คเรียบร้อยแล้วว่าเป็นใครผมก็ขึ้นไปหาเขาออฟฟิศของผมสมัยก่อนเนี่ยอยู่ชั้น12นะครับออฟฟิศของฝรั่งคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะครับผมคนนี้ไม่บอกว่าเขาทํางานอยู่ที่ไหนแต่ว่าเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสัญชาติเยอรมันคนเยอรมันนี่เขามีกิตติศัพท์ในเรื่องอะไรครับความเข้มงวดระเบียบ ว, วินัยนะครับ เราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นใครอ่ะเอาดอกไม้ให้ไปนะครับแล้วก็ไปขอพบกับฝรั่งคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของรถแล้วก็รู้ว่าเขาแน่นอนเพราะว่าเราไปจอดรถในที่ของเขาใช่ไหมครับเขาก็มากรีดยางรถเราเรื่องอะไรฮะไปยืนขอพบตอนเช้านะครับ GM คนไทยออกมาพร้อมกับพนัก ง, งาน3ามสี่คนก็แบบโอ้โหกลางกันใหญ่เลยนะครับทุกคนรู้หมดเลยอันนี้คือธรรมชาติของคนนะฮะ คือเวลาที่เรานำเสนอข้อมูลเนี่ยนำเสนอข้อมูลข้างเดียวคนเรามีอคตินะครับนายเขาก็คงเล่าให้กับลูกน้องเขาฟังแล้วแหละว่าผมเนี่ยนะเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็มาจอดรถทับที่เขาแต่เขาคงจะบอกแค่นั้นนะเขาก็ไม่ให้ผมพบเมื่อวันนี้ผมจะเอาดอกไม้มาขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ไม่ออกมาพบคุณหรอกมาพบทำไมเสียเวลานายผมเป็นถึง เจ้าของบริษัทเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครผมก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนำว่าเป็นใครนะครับเพราะตัวนี้นไม่ใช่สาระสำคัญยืนอยู่สักพักหนึ่งไม่มาแน่นอนเราก็คงจะเสียเวลานะครับผมก็จบอกเอ า, อางี้แล้วกันครับผมเนี่ยขึ้นมานะครับเอากระเช้าดอกไม้เนี่ยมาขอโทษเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ทำผิดก็คือว่าผมไปจอดรถทับที่ของนายของคุณนะครับอันนี้ความผิดของผมนะครับผมขอโทษในส่วนนี้ แต่ผมอยากจะขออนุญาตอธิบายต่อนะครับว่าสาเหตุที่ผมจะต้องไปจอดรถทับที่ เ, เป็นเพราะว่าเมื่อวานผมต้องเข้าไปงานพระราชทานเพลิงศพด่วนแล้วผมไม่ทราบมาก่อนพอดีได้รับโทรศัพท์ปั๊บเนี่ยจะต้องรีบเข้าไปก่อนที่จะมีการเสด็จถ้าเสด็จแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเข้าไม่ได้แล้วแล้วผมไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาผมจะต้องมาจอดรถแล้วต้องวิ่งไปที่ห้างเซนทันเพื่อที่ไปซื้อเสื้อขาวแล้วก็เนคไทดํานะครับ และผมก็มีที่จอดรถของผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีที่จอดรถของพนัก ง, งานหลายๆคันแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมวนรถหลายรอบนะผมมีออฟฟิศสองออฟฟิศเลยแล้วออฟฟิศชั้นสิบคือชั้นสิบสซึ่งตรงข้ามกับเขาเนี่ยก็คือสํานักพิมพ์ DMG อยู่ตรงข้ามกันแต่ไม่รู้จักกันผมก็วนรถหลายรอบแล้วแต่รถรถเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนอื่นก็มาจอดรถทับที่เราด้วยนึกออกไหมครับเพราะเราเข้ามาตอนบ่าย เราก็เลยไม่รู้จะไปจอดที่ตรงไหนก็คิดว่าจอดสัก15นาทีนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าที่เซ็นท่านกลับมาน่าจะน่าจะทันแล้วก็น่าจะไปทันงานแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนเสื้อเสร็จใช่ไหมครับกลับมาที่รถเมยรถฮอนด้มาจอดขวางเอาไว้แล้วก็ล็อกเกียร์ด้วยเราก็เข็นไม่ได้เนอะไหมครับเอ๊แล้วเราจะวิ่งไปตอนวันนั้นก็ควรขับรถไม่ได้มาทํางานจะวิ่งไปหามันก็จะช้าก็เลยนั่งรถแท็กซี่ไป นะครับที่ที่พระบรมมหาราชวังแล้วกว่าจะส่งสเสด็จกว่าจะนายกจะคุยเสร็จเนี่ยก็สามสี่ทุ่มแนละเราก็เลยกลับบ้านไปเลยลืมเรื่องรถไปเลยแล้วนี้ก็คือที่มาที่ว่าพอตอนเช้านะครับมาเจอรถตัวเองก็ยังแบนอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้ครับนะครับปรากฏว่าเป็นไงฮะเขาเชิญให้นั่งตอนนี้ที่มาทั้งหมดนี้ยืนตลอดนะฮะยืนคุยนะฮะ พอเข้าฟังเรื่องราวที่มันสมบูรณ์นะฮะจบปับ๊บคุณเชิญเข้ามานั่งก่อนดีกว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรครับผมก็ขึ้นมาแค่นี้เองนะครับผมมาหนึ่งมาขอโทษว่าผมจอดรถทับที่ของเจ้านายคุณความผิดของผมนะครับแต่ผมคิดว่าการที่โดนกรีดยางรถหรือว่านายคุณไปกรีดยางรถคันอื่นเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำนะเพราะว่าเราอยู่ตึกเดียวกันนะครับออฟฟิศผมก็อยู่ตรงข้ามคุณนี่แหละ จริงๆเราคุยกันได้นะครับผมก็บอกว่าเนี่ยมาขอร้องว่านไม่ต้องทําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปทํากับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนนะครับแต่ผมเนี่ยผมไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าผมก็มีคนรถเอารถไปเปลี่ยนยางให้อะไรต่างๆนะครับก็ขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วผมก็ลงไปปรากฏว่าตอนเที่ยงเกิดอะไรขึ้นทราบไหครับผมขึ้นไปประมาณ9ก้าโมงกว่าตอนเที่ยงนี่คือผลของการหักหอกเป็นดอกไม้นะฮะ นะฮะตามคำสอนของพระอาจารย์ประสงค์นะครับตอนเที่ยงครับได้รับกระเช้าแชมเปญนะครับหลายๆท่านคงไม่ได้ดื่มแชมเปญผมก็ไม่ได้ดื่มนะแต่เราก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดครับยี่ห้อโมเอ็ดชองดองตอนนั้นค่าเงินบาทมัน52บาทขวดนั้นประมาณ 5,000 กว่าบาทเฉพาะตัวแชมเปญไม่รวมดอกไม้ไม่รวมผลไม้นะครับเลขาผมหลอกากาซเลยเพราะว่าเลขาไม่ได้ไปสั่งกระเช้า ดอกไม้มาเลขาไปเอากระถางต้นไม้ในครัวเลขาบอกว่าแค้นแค้นแทนนายเรื่องอะไรนายดูกีดย่างร้นแล้วยังต้องเอาดอกไม้ไปเลขาก็ไม่เข้าใจนายแต่เลขามีฝีมือนะครับก็เอากระถางในครัวเนี่ยมาผูกแบบที่บริษัทจะเก่งจะสามารถจะทําอะไรแล้วก็ออกมาแล้วดูสวยงามคือผมเอาไปให้เขาก็ไม่อายเอาไปขอโทษเขาก็ไม่รู้สึกอายเลขาโอ้ลงทุนไม่ถึงร้อยเลยได้กลับมาตั้งห้าพันกว่าบาทเลขาหัวล็อกกั๊กเลยนะครับ แต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราได้รับแชมเปญเหมยชองดองอะไรตรงนี้ไม่ใช่ครับในตะกา้านี้มีเลิฟโน้ตมาด้วยนะมีจดหมายรักมานะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะขออนุญาตปแปลนะครับเขาก็เขียนมานะครับเพราะเขาเพราะว่าผมแนบนำบัตรไปแล้วเขาก็เขียนมาเขาบอกว่าเดียรคุณดอ๋ยบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ทาเรื่องแบบนี้ แล้วเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำทุกครั้งเนี่ยที่มีคนไทยในตึกนี้เนี่ยมาจอดรถทับที่เขาเนี่ยเขามีความรู้สึกเลยว่าคนไทยไม่มีระเบียบวินัยเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องสั่งสอน give them a lesson เขาพูดอย่างี้นะฮะต้องสั่งสอนว่านี่คือที่ของเขาเขาพูดเาคิดอยู่ตลอดเวลาว่า this is my parking space เขาคิดตลอดเวลานี่คือที่ของเขาอ่ะเขาจ่ายเงิน ต่อเดือนนะค่าเช่าที่ต่อเดือนนี่คือความโง่อย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าใครมาจอดก็ไม่ได้เขาบอกว่าทุกครั้งนะเขาจะรู้สึกสะใจเหมือนที่ พ, พระพุทธเจ้าตรัสสอนเลยว่าความโกรธเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับอะไรฮะต้นไม้ที่มีรากเป็นพิษแต่มียอดหวานใช่ไหมครับรากเป็นพิษหมายถึงว่าเราจะมีความรู้สึกกดดันมีความเดือดดาลมีความรู้สึกงุดหงิดลาคาญใจมากๆถ้าเราไม่ระบายออก คือลากเป็นพิษแต่ผลหวานก็คือว่าเมื่อได้ทําไปแล้วระบายความโกรธเป็นไงฮะรู้สึกมันสะใจมันสาแก่ใจเนี่ยผมก็อา่านอ่านแล้วนึกถึงคําที่พู้เจ้าสอนเลยเขาบอกทุกครั้งนะเขาทําไปแล้วเขารู้สึกสะใจมากแล้วยิ่งสะใจสองเด้งเลยเวลาที่มีคนมายืนตะโกนด่าหน้ า, าอาอฟฟิศเขาเนี่ยเขาบอกเขาชอบมากเลยมันเป็นอะไรที่มันสะใจจริงๆเลยว่าได้สั่งสอนคนไทยที่ไม่มีวินัยแบบนี้แต่ก็บอกยูมาแปลกนะ อยู่มาในรูปแบบที่เอาดอกไม้มาขอโทษเขาอ่ะเขาบอกเขาก็เลยมีความรู้สึกเออนะจริงๆที่อยู่ขอมาก็เป็นสิ่งที่เขาก็เห็นด้วยนะแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยเจอเหตุแบบนี้ไง <c oughs> นะครับเขาก็เลยสัญญากับผมนะครับเขาสัญญาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยใครมาจอดทับที่เขาเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะไม่ไปขีดรอบรถคันอื่นโดนมากกว่าผมนะฮะโดนกรีดรอบรถเลยของเรานี้โดนแค่กรีด ย, ยางนะฮะก็เขาบอกเขาจะไม่ทําแบบนี้แล้ว นะครับแล้วยอ่อหน้าสุดท้ายครับของ Love Note เขาบอกว่าในฐานะที่อยู่เป็นบริษัทประสามพันธ์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยไอก็มีบริษัททัวอันดับหนึ่งของเยอรมันเนี่ยอยู่มาเป็นที่ปรึกษาให้ไอหน่อยได้ไหม <c oughs> <laughs> เห็นไหมครับเราเนี่ยได้ลูกค้ามาด้วยนะจากไอตรงเนี้ยที่เราพลิกสถานการณ์น ะ, นะครับ แต่ผมไม่เอาเขาเป็นลูกค้านะฮะตอนนั้นผมว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยครับเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราลูกค้าเราเยอะอยู่แล้วแล้วเรายังมีความรู้สึกเอจะดีหรือเปล่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ น, นี่คือเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราฝึกสติเนี่ยนะครับและเข้าไปเห็นเนี่ยจริงๆไม่ต้องทําอะไรครับความโกรธเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางคนโกรธตัวเองซ้ำสองเคยเป็นไหมฮะโกรธซ้ำสองเพราะอะไรครับ โกรธตัวเองที่ไปกโกรธโกรธตัวเองที่ได้แสดงอาการที่ไม่ควรทําทั้งคําพูดความคิดทั้งกิริยาท่าทางบางทีก็กระแทกประตูใส่หรือทํากิริยาที่ไม่น่ารักออกไปนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยนะครับมีคํากล่าวที่บอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไหวใช่ไหมครับเป็นกันบ่อยใช่ไหมฮะดีชั่วรู้หมดแหละไม่อยากทําเลยแต่ตอนนั้นทาไมต้องทําครับก็อย่างที่พุทธเจ้าตรัสสอนนะครับ เป็นต้นไม้ที่มันรากเป็นพิษผลมันหวานน่ะคือถ้าไม่ทํำนี่มันมันไม่ได้ระบายออกมันต้องตอนนั้นมันต้องอะไรสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งแต่พอทําไปแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับสติของแต่ละคนด้วยอาจจะชั่วเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นอาจจะบางคนชั่วเมานึงหลังจากนั้นบางคนเป็นวันบางคนเป็นเดือนนะครับสํานึกขึ้นมาได้ก็โอไม่น่าเลยกรธตัวเองซ้ำสองอันนี้ก็เท่ากับอะไรฮะเสียสองเด้งเลยครับ เสียสองเดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าให้เราทําความรู้จักกับความโกรธแล้วก็อย่าไปดังเกียรติเขาด้วยนะครับบางคนแบบพยายามที่จะดันอารมณ์ตรงนี้ออกไปไม่ชอบไม่ไม่ให้เขาเข้ามาจริงๆแล้วน่ยพระบรุตรเจ้าไม่ได้สอนให้เราทําอะไรที่เกินกว่าปกติครับคําศัพท์ที่ปรากฏมากที่สุดอยู่ในพระไตรปิฎกนะนะครับคือคําว่ารู้รู้เฉยๆรู้ รู้ว่าเรากำลังโกรธขนนั้นคือถ้าเรารู้ตรงตัวเนี่ยเหมือนกับเราเอาไฟฉายเอาสปอตไลท์ไปส่องสัตว์ น, นะครับเขาวิ่งหนีไปเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับในเรื่องความโกรธเนี่ยขอให้เราน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกับที่เมื่อสักครู่เราสวดมนต์กันใช่ไหมครับโอปนัยิโกนะครับ เมื่อโกรธน้อมเข้ามาใส่ตัวความโกรธมันจะเบาลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดโกรธแล้วยิ่งอารมณ์มันอบส่วนมากโกรธแล้วเรานึกถึงใครฮะนึกถึงคนที่โกรธนึกถึงเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นยิ่งนึกยิ่งโกรธแต่ถ้าเกิดเราสวนกลับนะครับหักหอกนะครับหักหอกกลับเข้ามานะครับหันเข้ามาที่ตัวเองครับมองกลับเข้ามาที่ตัวเองมาเพ่งโทษตัวเอง แทนที่จะไปเพ่งโทษคนอื่นนะครับพระบิดาเจ้าตรัสสอนว่าบุคคลผู้เพ่งโทษผู้อื่นนั้นนิพพานยังห่างไกลนะักนะฮะถ้าเรามองเพ่งโทษคนนั้นเป็นอย่างนั้แต่มันง่ายนะครับเราชอบเพ่งโทษคนอื่นนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะ่ะผมจะมีแบบฝึกหัดนะครับที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเอาตจรที่มันนอนเนื่องอยู่ข้างในปฏิฆะเนี่ยที่เราไม่เคยนึกถึงเลยวันนี้เราจะมาคลี่คลายกัน เราจะได้มีความรู้สึกสบายตัวนะครับออกจากคอสกิเลตแมจเมนต์ตัวอย่างของการเพ่งโทษตัวเองครับก็เคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับมีพนักงานระดับผู้จัดการคนหนึ่งลาออกนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับธรรมชาติคือสิ่งที่ไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาองค์กรก็พนักงานไหลเข้าไหลออกนี่ก็คือเรื่องปกติ แ่การลาออกครั้งนี้ของพนัก ง, งานคนนี้ไม่ปกติไม่ปกติยังไงครับเขียนจดหมายมาลาออกด้วยภาษาพ่อคุณรามคาแหงครับซึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เริ่มโครงการอนุรักษ์ภาษาไทยยังนะครับยังไม่ได้ทำโครงการนี้นะครับแต่เขาเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มอนุรักษ์แล้วนะครับกูทนไม่ไหวละโวยเลยนี่นะครับแล้วไม่ใช่แค่อนุรักษ์ภาษาไทยนะครับยังมีสัตว์ใน เขาดินเนี่ยนะครเดินเพ่นพ่าดเลยนะครับในจดหมายฉบับนั้นซึ่งปกติผมเนี่ยคุณแม่จะทราบดีนะครับซึ่งวันนี้คุณแม่ก็มาเชียร์ด้วยให้กําลังใจด้วยผมเป็นคนที่ไม่พูดจาหยาบคายทั้งชีวิตพูดไม่เป็นคําหยาบไม่เป็นพูดพูดออกมาจากปากไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วคนพูดหยาบผมก็ไม่ฟังนะฮะผมจะเป็นคนหนึ่งที่แบบตั้งโปรแกรมกับตัวเองไว้ว่าอะไรที่เป็นของหยาบของไม่ดีเราไม่เอาเข้าความคิดคําพูด ของตัวเองและของคนอื่นเนี่ยพอตรงไปอยู่ตรงไหนใกล้ๆเขาหยาบคายปุ๊บนี่เราปิดสวิตช์เลยครับแต่ถ้าเกิดปู่ย่าตายายให้พรน่ยผมอยู่ใกล้เลยอยู่บนตักเลยไปรับพรก่อนคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาที่เราบริหารงานเราก็ไม่ใช้คําหยาบกับทีมงานไม่ไม่พูดจาหยาบคายมึงมาพาวยกูมึงไม่มีพูดไม่เป็นครั้งนี้เราได้รับจดหมายนี่เป็นยังไงครับ สิปีที่แล้วธรรมะก็เหมือนตอนนี้นะครับล้มลุกคลุกคลานอยู่ยังไม่ไปถึงไหนเลยโกรธไหมฮะโกรธเหมือนกันนะครับโกรธแต่ตอนนั้นเริ่มฝึกไว้บ้างและเริ่มฝึกสติเริ่มอย่างที่ท่านวอลสอนนะครับดูลมหายใจตัวเองดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกแป๊บเดียวเองครับปัญญามันแวบเข้ามาเลยซึ่งตัวเองถ้าไม่ฝึกคิดไม่ได้มันมีคําสอนตัวเองเลยบอกว่า ถอดอัตราตัวเองออกถอดมัวตัวเองออกถอดมัวตัวเองว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทตัวเองเป็นซีอคนเขียนจดหมายมาเป็นแบบนี้ถ้าดีหน่อยก็คือเรียกมาคุยแล้วก็เชิญออกไปใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องถามว่าทําไมถึงเขียนจดหมายแบบนี้รู้ไหมว่าไม่ควรเขียนประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นปฏิกิริยาของคนส่วนใหญ่ผมเองก็ต้องเป็นแบบนั้นได้รับจดหมายมาก็ต้องมานั่งตรวจสอบว่าทําไมเป็นแบบนี้ แต่เราก็มันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาสอนตัวเองว่าถอดอัตตาตัวเองปุ๊บมันมีโซลูชันแบบพลั้งพลูมาเลยนะครับเชิญเขาเข้ามาในห้องผู้จัดการคนเนี้นะครับที่ที่เขียนสมัยล้วออกเขาเดินเข้ามานี้เป็นยังไงครับกำหมัดมาเลยนะฮะคือเรียกว่าถ้าเกิดผมพูดผิดเนี่ยรับรองโดนแน่ๆเลย <laughs> นะครับตาขวางตานี้แดงๆ แ, แล้วก็ตาขวางเชิญเขานั่งป๊บ ประโยคแรกที่ผมพูดกับเขาผมบอกว่าขอโทษนะครับช่วงนี้เนี่ยผมงานยุ่งมากเลยผมไม่มีเวลาคุยกับคุณเลยนี่คือประโยคแรกที่คุยกับเขาเพราะว่าพอเรานั่งกลับมาดูตัวเองครับมาดูตัวเองว่าอะไรคือความผิดของเราที่เราไม่ได้ทำกับเขาหรือว่าที่เราทำกับเขาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของเนี่ยเราไม่มีเวลาคุยกับเขาเลยครับ ประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนทีนี้เขาเป็นประเภทแบบเขาเป็นคนที่มีโทสะจริตสูงเป็นคนที่มักโกรธอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันเหมือนกับว่าเราเป็นนายที่ไม่ค่อยได้ไปเปิดฝากาใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปให้เขาระบายออกเนี่ยมันก็ถึงขีดนึงระเบิดขึ้นมาเป็นแบบนี้พอเราเอ่ยคําออกไปว่าขอโทษเนี่ยซึ่งคํานี้นะครับเป็นคําที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ แต่ผมถามแต่ละท่านนะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านมีโอกาสที่ได้พูดคาว่าขอโทษบ่อยแค่ไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายคนที่รู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะพูดคำว่าขอโทษได้นะครับคำนี้มันออกจากปากยากหรือง่ายครับยากต้องฝึกนะครับวันนี้เราจะต้องฝึกคำว่าขอโทษผมน่เห็นผลเลย เขามานั่งปุ๊บขอโทษเขาก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมได้ทํากับเขาไม่มีเวลาคุยกับเขาพูดแค่นี้เป็นยังไงครับ mm. เขาเดินมาเลยครับเดินมาจากที่เขานั่งเดินมาหาผมเลยฮะเดินมาทําไมครับเดินมากราบครับคนเราเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกครับดีชั่วดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไหวจริงไหมจังหวะที่เขาเขียนมันอดใจไม่ไหวครับตอนนั้นมันต้องเขียนแล้ว คือ ส, <าห dos>สาเหตุของเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขาว่ารู้ไหมว่าที่เขียนมาเนี่ยมันไม่สมควรเขียนคุณไม่สมควรเขียนกูกูมึงๆึงมาย่างนี้ไม่ต้องบอกคนนะฮะเราไม่มีหน้าที่ต้องไปสั่งสอนคนนะฮะไม่มีหน้าที่ครับถ้าคนมาสอนเราเราเชื่อไหมครับเชื่อไม่เชื่อพ่อแม่สอนเชื่อไหมฮะเชื่อไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแฟนเราสามีภรรยาเราสอนเราเชื่อไหมฮะไม่ค่อยเชื่อครับครูสอนเชื่อไหมฮะตัวเราสอนตัวเราเองดีที่สุด วันหน้าที่เราจําไว้เลยครับหน้าที่เราไม่ต้องไปอาสาที่จะเป็นครูสอนคนอื่นครับครูบาอาจารย์เตือนตลอดว่าเราต้องสอนตัวเองอะไรเกิดขึ้นสอนตัวเองสอนตัวเองสอนตัวเองอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นแหละครับคือบทเรียนที่สําคัญเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บผมมาสอนตัวเองว่าเอ๊ะอะไรล่ะคือสิ่งที่เราไม่ได้เพ่งโทษตัวเองเราไม่ได้คุยกับเขาขอโทษไปปุ๊บทุกอย่างพลิกกลับเลยหักหอกเป็นดอกไม้เรียบร้อยเลยเดินมาเลยนะครับ มาไหว้แล้วก็บอกเลยว่าเขาขอโทษที่เขาเขียนจดหมายที่หยาบคายมากๆมาหาผมเขาผิดมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไปทะเลาะ ก, กับผู้จัด ก, การอีกแผนกหนึ่งแล้วก็เขาก็ทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะออกจากบริษัทเราเนี่ยด้วยไอ้ความรู้สึกแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ออกความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับก็ยังทํางานด้วยกันนะครับต่อไปอีกสักเจดแปเดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย นะครับคนเราในสนิมมันก็สนิมใครสนิมมันใช่ไหมฮะสนิมใจเขาก็มีมากนะครับเราก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเขาได้คือเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดจังหวะที่เขาออกไปเขาไม่ได้มีความโกรธกับองค์กรของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงครับผมอยากจะถามว่าแต่ละท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ย เวลาที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยมีกี่ครั้งครับที่เราหันกลับมาดูตัวเองมีกี่ครั้งครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉันวิธีที่ใช้ได้ดีที่สุดแล้วก็เห็นผลชัดเลยคือการรู้ทันการรู้ทันการเข้าไปเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่ทันเพราะอะไรครับเพราะสติสัมปชัญญะเรายังอ่อนเคยหครับโอ้โหโกรธแบบแทบเป็นแทบตายไปแล้ว เพิ่งมารู้ตัวหลังจากนั้นมีครับผมมีลูกน้องคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นลูกน้องแล้วไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเ ป, เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วเป็นสุภาพสตรีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ทำงานเก่งคะเงินเดือนหลายแสนเขาเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเขาขับรถไปกับคุณแม่เขาแล้วมันเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับที่ท่านวอได้เล่าเหตุการณ์บนท้องถนนเนี่ยเราจะสังเกตบ่อยนะ เจอเหตุกันนะครับเขาบอกว่ามีคนมาขับรถตัดหน้าเขาเลยสักอย่างหนึงเนี่ย น, นะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยสุภาพอ่ะ น, นี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะฮะเขาเนี่ยกระโดดลงจากรถเลยนะไปเตะยางเตะยางรถคันนั้นแบบท้าเลยครับแล้วเขาบอกเลยบอกว่าถ้าวินาทีนั้นเขามีปืนนะเขาคงยิงไปแล้วแล้วที่น่าเศร้ามากคือเขาบอกเขาไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวแม่เขาตกใจมากเลย แม่เขาอุ้ยลูกสาวฉันเป็นอะไรเนี่ยแต่แล้วลูกสาวที่เรียบร้อยน่ารักมันกลายเป็นตัวอะไรนะมันกระโดดออกไปอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเกิดฝั่งนึงเขาเอาเรื่องขึ้นมานี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็เริ่มตกใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเข้าปฏิบัติธรรมนี่ครับนี่คือความน่ากลัวนะความน่ากลัวมากๆว่าเมื่อสติไม่เข้ามาอยู่กับตัวเราเองนะครับสติมันตเตลิดเปิดเปลืองหายไปไหนเนี่ยเราทําอะไรไปชั่ววูบเนี่ยนะครับ ชีวิตของเราเหมือนกับการขับรถใช่ไหมครับเหมือนไหมฮะเร า, า จ, จะขับรถตลอดเส้นทางเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือหน้าที่นะตลอดสายของการที่เราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธแท้นะฮะให้ทานนะครับอะไรคือสิ่งที่สูงสุดของการให้ทานทานน่ง่ายที่สุดนะครับมันก็ได้หนึ่งเต้มรักษาศีลได้สองเต้มนะครับเจริญภาวนานี้สามเต้มสูงสุดวันนี้เราง่ายๆก่อนให้ทาน ทานที่สูงที่สุดคืออภัยทานนะครับทานเนี่ยมีอยู่4ี่ระดับง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดผมพูดผิดก็อขอกราบนักวัชการพระคุณเจ้าช่วยเพิ่มเติมข้อมูลนะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรถือว่าพวกเดียวกันคุยได้กันปุตุชนคุยกันเองนะฮะทานข้อแรกก็คือวัตถุทานใช่ไหมครับเรามีอะไรมากเรามีเงินเรามีของเรามีอะไรเหลือเฟือก็ให้ไปบริจาคไปนะวัตถุทานอันดับหนึ่ง นะครับวัตถุทานอ น, นิสงค์นะครับให้ร้อยเท่าก็ไม่เท่ากับอะไรครับวิหารทาน<ม>วิหารทานคืออะไรครับคือการร่วมกันบริจาคทําอะไรก็ตามสร้างอะไรก็ตามที่แบบเป็นประโยชน์กับมหาชนส่วนรวมวิหารทานนี้อ น, นิสงส์สูงกว่าเป็นร้อยร้อยเท่านะครับวัตถุทานวิหารทานระดับที่3มคืออะไรครับธรรมทานธรรมทานก็คือการแจกหนังสือธรรมะ นะครับการให้ให้คนอื่นมาปฏิบัติรมชักชวนกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับธรรมทานนี้ก็คืออ น, นิสงส์สูงกว่าเป็นร้อยเท่าแต่ธรรมทานนี้ยังแพ้ออ น, นิสงส์ของอภัยทานนะครับอภัยทานนี้ก็คือว่าเป็นการเคลียร์หนี้ต่างๆทั้งหลายที่เราสะสมเอาไว้ครับไม่ว่าจะกี่ชาติหรือว่าในปัจจุบันวันนี้นะครับเราได้เกิดมีศัตรูมีคู่อริ มีความพยาบาทมีความบาดหมางอะไรก็ตามกับใครเนี่ยถ้าเราให้อภัยได้เนะี่มันเหมือนกับว่าก้อนกรวดแห่งความคับแค้นใจที่เราเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยสังเกตไหมครับเก็บไว้เยอะไหมครับก้อนกรวดแห่งความคับแค้นใจตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมาจัดแสดงนิทรรศการที่ไหนทราบไหมฮะมี e อกซิบิชันเราเคยจัด e อกซิบิชันก้อนกรวดแห่งความคับแค้นใจหฮะ ปรากฏขึ้นตรงความไม่พอใจความหงุดหงิดลำคาญใจไอ้ น, นี่ก็ไม่ได้ดั่งใจคนนี้ไม่ได้ดั่งใจเก็บเอาไว้เรื่อยๆเก็บไว้ในใจนี่ก็คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระนางมาริกานะครับว่าบุคคลที่ไม่มักโกรธก็คือเป็นบุคคลที่มีผิวพรรณวรณะพองใสเพราะเขาไม่เก็บเก็บขยะขยะเขาไม่เก็บเขาเก็บแต่สิ่งที่เป็นเรื่องดีเรื่องบุญเรื่องคุณศน